ใหรู้จักกับพนัการบริษัททุกท่านตัอกาบมาร่วมอนุโมทนาบุญกับพวกเราที่ได้มาฟังสิ่งที่เป็นสาระที่มีธรรมะสอนแทรกเข้าไปในการดําเนินชีวิตนี้ก็จะได้มาร่วมทำบุญในส่วนนี้ของการให้แง่คิดให้กําลังใจในการดําเนินชีวิตทั้ง ตัวเราแล้วก็ผู้อื่นด้วยสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้โดยปกติแล้วเนี่ไม่เคยได้คุยในระดับแบบนี้นะก็แปลกสีที่ที่จะนํามาพูดนี่ก็คือเป็นสาระอย่างหนึ่งที่ว่าบาที่อาจจะมองว่ามันอาจจะดูมันตึงเครียดในความตึงเครียดนี่เราก็มีความ่อนคล่ายู่ในนั้น เพราะการที่้พวกเราเนี่ยได้มีที่พึ่งที่พึ่งด้านจิตใจหลายคนยังหาที่พึ่งไม่พบเพราะจะพึ่งในสิ่งภายนอกใช่ไหมพึ่งในสิ่งภายนอกแต่พอะพึ่งบุคคลอื่นพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งตัวิเศษตรวจไมกระทั่งหมอดูนั่นคือที่พึ่งทางนั้นแหละนะคือแต่ว่าทำให้ใจเราสบายได้แต่ว่าไม่ใช่ที่พึ่งในการบรรเท ที่เป็นการประเสรนะต้องขึ้นถี่ตัวเราเองเพราะว่าชีวิตทุกวันเนี่ยมันหมายถึงว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับต้องมีกระบวนการแก้ปัญหาตลอดเวลาเลยชีวิตเรามีปัญหาชีวิตคือกระบวนการแก้ปัญหาอยู่เสมอๆปัญหาเก่าหมดไปปัญหาใหม่เข้ามาแล้วต้องามแก้ปัญหาอยู่นี่แหละ ปัญหาบางทีมันก็ใหญ่มากบางทีมันก็ยากเราไม่รู้ว่าผลของมันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่คนที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหานั้นต้องการที่สุดก็คือความหวังและกําลังใจใช่ไหมเราจะมีความหวังและมีกําลังใจในการที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วตรงนี้แหละให้ความหวังและกําลังใจเนี่ย เราก็ต้องสวยงาที่พึ่งคนที่มีที่พึ่งกับตัวเองเนี่ยจะมีความวังให้ตัวเองมากกาลังใจก็มีเยอะโดยเฉพาะอาศัยหลักธรรมะเข้ามาช่วยเราจะหมดปัญหาไม่ว่าเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหล่านั้นตัวนี้แหละเรามักจะพึ่งสิ่งภายนอกอ่ะคนทุกคนเนี่ยอยากจะมีความสุขไม่อยากจะมีความทุกข์ อยากแก้ร่ำรวยอยากเงินมีทองไม่อยากผิดหวังอยากใช้ชีวิตที่สบายสบายแต่เราก็ไม่ค่อยได้เจอจริงๆนั้นหรอกมีเรื่องเล่าเป็นน้ำย่อยขึ้นมาพอใกล้ที่สิบหกเนี่ยคนนี้จะคุยยังมากเนะี่ยคุยไม่ค่อยมีกาลังสี่งกำลังใจที่จะทำงานคุยแต่เรื่องวัตเตอรี่อ่ะ ที่ไหนจะมีเลขเด็ดเลขดีครูบาอาจารย์คนไหนจะบอกเลขให้ก็มีเรื่องราวว่าที่พระรูปหนึ่งท่านได้หวยแม่นมา่าถูกทุกงวดคือถูกทุกงวดแต่คนที่ถูกอาจจะไม่ใช่เราแต่มีคนถูกเวลามีคนไปหาเนี่ยก็จะไม่ได้ไปกราบท่านเพื่อจะให้ท่านสอนธรรมะหาที่พื้นดังใจให้ ก็จะไปขอหวยเอาหวยจากท้างเวลาใครไปหาท่านให้หวยเลขเดียวนะให้หวยแบบเขาเรียกเป็นตำราเดียวเขาเรียกเป็นหวยล็อกถ้าบอกว่างวด น, นี้นะมันจะมีสองมีห้าแล้วก็มีแปดสองห้าแปดจะท่านพูดตอบไปว่าให้ระวังเลขข้างเคียง จะพูดสุดท้ายว่าศูนย์มาแรง2 5งห้าแปดระวังในข้างเคียงศูนย์มาแรงด้วยนะไอ้ที่ถูกก็มีไอ้ที่มีถูกมากเราไปพึ่งลอตเตอรี่เพื่อจะให้เรา ล, ำล้ำรวยแล้วเราลงทุนไปเท่าไหร่ส่วนที่เสียไปเท่าไหร่แล้วส่วนที่ได้มาปีมันมีคุ้มกัน แต่มันสนุกที่ได้ลุ้นนะนะวันหวยไม่ออกนี่คุยยังองสนานแต่วันหวอยออกเนี่ยหลังจากที่ออกผ่านไปแล้วนี่เงียบปิดเลยเลิกพูดกันเอาไว้คุยยังงวดหน้าใหมา่เวลาใครถูกก็บอกโอ้โนี่ท่านมแม่นมากท่าไใ้ไหวยแม่นมากยกผลประโยชน์ให้กับผู้ที่ให้หวยแต่เวลาเราแทงผิดเราไม่เคยโทษเขาเลยว่าให้ผิด นะรู้จักโทษตัวเองโชคเราไม่ดีที่นี้มันมีคาถานะถ้าเรจะร่รวยมีเงินทองเนี่ยมันมีอยู่สี่ข้อนะแล้วปลองเอาไปใช้แล้วรวยแน่ไม่ต้องแพงหวยข้อแรกคือให้เราขยันหาขยันหานะไอ้ความขยันหานี่คือหาแล้วมันต้องได้ใช่ไหม ขยนันาอย่างที่เราทำงานเนี่ยขยันทำงานขยันหามันก็ได้เงิ น, นได้มาเมื่อหามาแล้วเนี่ยเราต้องขยันเก็บขยันหาแล้วขยันเก็บมันจะมีส่วนที่เป็นรายเหลือนะขยันหาขยันเก็บแล้วก็รู้จักใช้จ่ายพอสมควรให้มีเกินใช้อย่าให้ใช้เกินมีเราก็จะมีเหลือเยอะใช่ไหม ถ้าใช้เกินมีเราก็ไม่เหลืออห้อยมีเกินใช้เราก็จะเหลือนะ่ะเริ่มเหลืออลไรนะนี่ต่อไปก็มันคือต้องคบเพื่อนนายฟุ้งเปอร์อย่าไปคบพบอะรหมดทุกสิ่คบเพื่อนที่ประหยัดแล้วไม่จะไปเปลียไปด้วยรับรองไม่ ล, ล อ, อยงี้หนละถ้าการเก็ตสะสมไดเ้เอยเนี่ยเราก็จะรวยไปเองเท่าไหร่ถึงได้คนรวยความร่ํารวยอยู่ที่ไหน คร ต, ตอบได้ร้อยล้านรวยไหมพอเราเป็นเจ้าของเงินร้อยล้านจริงเนี่ยเราว่าเราไม่รวยหรอกเพราะที่พันล้านมันก็มี่ยพันล้านก็ไม่รวยนี่คนพันล้านนี่ก็บอกเขาไม่รวยรวยล้านแสนล้านต่อให้เป็นเจ้าโลกุ้<อ>ลก็ไม่รวยความรวยอยู่ที่ความพอถ้าพอเมื่อไหายก็รวยไม่รัหรแต่ที่นีครับก็ต้บอกว่าความไม่พอใจจน เป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอผมนี่ไม่มีสักระหน่นะแล้วผมรวยกับทุกคนผมไม่ต้องสวงหา้ากมายพอในสิ่งที่เรามีอยู่ผมก็สบายใจไม่ต้องดเริ่มแสวงหามากมายแต่หาได้นะไม่อพอแล้วเลิกหนะหาไม่ถึง หาได้ไรก็พอใจพอใจอเดี๋ยวค่อยหาใหม่เนี่ยหาได้ไรก็พอใจพอพอใจแล้วค่อยหาใหม่รายได้เท่าไหร่ก็พอใจแล้วค่อยสแสวงหาใจยังมีความสุขในการสแสวงหาความร่ำรวยทําให้เรามีความสุขไหมความสุขไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการมีเงินทองมีทรัพย์สินมีสมบัติมากมายนะความสุขไม่อยู่ตรงนั้น คนที่มีเงินทองมากมายจะมีความสุขสักกี่คนกันบางทีมีเงินมากก็ทุกข์มากเพราะมีไม่เป็นความสุขทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่สิ่งภายนอกอยู่ที่จิตที่ใจเราใจมีความสุขแม้ว่าสิ่งนั้นเราอาจจะไม่รับรู้เท่าเขาแต่ใจเราสามารถจะมีความสุขได้แในท่ามกลางความยากจนถ้ารู้จักเข้าใจ แล้วก็พอใจอย่างที่เรามีมันก็มีความสุขได้เงินทรัพย์สินเงินทองรถบ้านเป็นเพียงแค่เครื่ อ, องอำนวยความสะดวกวัดถูเป็นเพียงแค่เครื่ อ, องอำนวยความสะดวกไม่ได้กําหนดชีวิตเราว่าจะต้องมีความสุขเสมอไปความสุดอย่ที่ใจเร า, าใจที่มีธรรมะที่รู้เท่าทาันรู้ความจริงของชีวิต และคติของตาเนี่ยมันจะมีความสุขไม่ตกเป็นท่าของอารมณ์ไม่ตกเป็นท่าของวัตถุใจก็เป็นอิสระจิตที่เป็นอิสระอยู่เหนือวัตถุนั่นแหละเป็นจิตที่มีความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นมีได้มีเงิมีทองได้แสวงหาได้แต่เราอย่าลืมดูแลจิตใจให้เป็นปกติธรรมะในหลักปันเป็นที่พึ่งที่จะนําเอาไว้ใช้ได้ที่พึ่งดีแท้จริง ธรรมะสอนเรื่องความจริงไม่ได้สอนเรื่องความคิดแต่เรื่องความจริ ง, รร ง, ร ง, รงที่มีขึ้นอยู่กับคนทุกคนถ้าเราเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้เนี่ยเราจะไม่มีความทุกข์เลยจะมีแต่ความสุขพนักงานบริษัทครูส่วนมากเขาทำสมาี่ให้บริการใช่ไหมการให้บริการเป็นงานหลักจริงหน้าภาพปูุกใจมากเราสามารถให้บริการคนอื่นได้เนี่ย ถ้าปูงใจนะขอผมเนี่ยคนพิการเนี่ยบริการคนไม่พิการได้เนี่ยโอ้ยภูมิใจมากเพีนี้เราก็ปูมใจในที่เราทําได้นะเราพิการกายแต่เราไม่พิการใจแต่เรากําลังให้บริการกับคนพิการใจแต่ไม่พิการกายแต่ไม่ใช่พวกเรานะคือผมทํางานมามากไม่ยกเรายกเว้นกลุ่มนี้สักกลุ่มหนึ่งก็เอาใจเดี๋ยวลงจากนี้ไม่ได้ เราโชงมีแล้วที่การไม่พิการนี่ก็โชงมีขั้นนลยอย่ากใหก้ใจพิการใจพิการคือใจที่กรดใจที่ทุกข์ใจที่ยิ้ไม่ออกก็พิการนะธรรมะช่วยได้เพราะฉะนั้นพนักงานทรูจะให้บริการใครนั้นอันนั้นไว้อันดับสองมันต้องบริการตัวเรเองก่อนเนี่ยสําสคัญนะบริการใจเราเองก่อน ไม่ให้ใจเราเป็นทุกข์ให้ใจเรามีความสุขเราบริการคนอื่นแต่รือบริการใจเราเป็นยังไงนะเราทำงานเพื่อคนอื่นแต่ใจเราเป็นทุกข์เราต้องบริการใจเรายังน้อยต้องรู้จักความจริงของชีวิตรู้จักความจริงของชีวิตไหมชีวิตคืออะไรเมื่อกี้เฉลยไปแล้วนะเป็นข้อสอบนะ ชีวิตก็คือกระ บ, บวนการแก้ปัญหาใช่หกระ บ, บวนการแก้ปัญหาชีวิตคือการเรียนรู้ชีวิตไม่ใช่การต่อสู้มีใครต่อสู้ชีวิตแล้วชนะบ้างเห็นตายทุกไลา์ชีวิตคือการเรียนรู้ชีวิตคือกระบวนการแก้ปัญหาแก้ปัญหาเมื่อไรแล้วก็เราเกิดการเรียนรู้มานแล้สัจธรรมของชีวิตคืออะไร เพราะนั้นวิธีการบริการตัวเรานั้นเราต้องมีธรรมะมีธรรมะอยู่ข้อเดียวเนี่ยถ้าทุกคนมีตัวนี้นะสามารถบริการใจเราไม่ทุกได้และรู้สัจธรรมของชีวิตที่เป็นความจริงไดมธรรมะข้อนั้นคือตัวสติสติเป็นภาษาบาลีภาษาไทายแปลว่าความรู้สึกตัวหรือความรู้เนื้อรู้ตัว สติคือความรู้สึกตัวเราสามารถที่จะฝึกสติได้ในชีวิตประจำวันในขณะที่เราทางานการฝึกสติเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมนะเราสามารถทำงานไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยการปฏิบัติธรรมนั้นผลเราจะได้บุญได้บุญแล้วก็ได้ความสุขแล้วก็ไม่มีทุกข์มีใครเข้าวัดเป็นประจำไหม คนที่ชอบธรรมะชอบการปฏิบัติธรรมนั้นเราอาจจะไม่มีโอกาสไปวัดเขาไม่เป็นไรนี่เอาที่ทูนี่แหละก็ทำงานนี่แหละเอาเป็นวัดเลยก็ได้วัดทูว่าลารามให้เราปฏิบัติธรรมในที่ทำงานอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาใจเราเพื่อสร้างใจเราให้มันมีความสุขก็ด้วยการเจริญสติในขณะทำงานคขาอยตรงนี้ไหม ทำได้นะการปฏิบัติงานที่การปฏิบัติธรรมเลย<ป>เพียงเนี่ยเติมสติเติมความรู้สึกตัวไว้ก่อนเช่นเรากําลังนั่งเลยนะกําลังนั่งเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวว่าเรากําลังนั่งฟังตอนแรกไม่เคยรู้สึกหรอกปฏิจัยกัรบูแจะคิดเรื่อยพอให้เรารู้สึกตัวว่ากําลังนั่งฟังพับโนดิดลวงวับเลยเนี่ยเรามีสติแล้วนะเราได้ปฏิบัติธรรมแล้ว ตรงเนี้ยเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเลยเราอาจจะไม่เห็นชัดเจนแต่ทาบ่อยๆเราจะเข้าใจว่าว่าเปศีลตรงไหนเนาะเป็นสมาธิตรงไหนเป็นปัญญาตรงไหนเป็นบุญตรงไหนอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมเรานั่งอยู่แล้วก็รู้สึกเราจะขยับตัวเรารู้สึกให้เราขยับตัวอันนี้ก็เป็นสติเราม่วงนอนคึกว่าอ๋อนี่เราม่วงนอนก็มีสติแล้วอ่าปากขาวก็มีสติ ให้เราลุกตัวว่าเรากำลังทําอะไรให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตไม่เลื่อนลอยโดยปกติแล้วเนี่ยเรานั่งตรงนี้ปับ๊บดีใจเราลอยไปข้างนอกไปบ้านไปหาเพื่อนใช่ไหมเนี่ยอันนั้นไม่ได้เป็นการปฏิบททัติธรรมแต่ถ้าเรากายอยู่นี่มีสติใจยอยู่ด้วยกายอยู่ไหนใจยอยู่ด้วยอันนี้เป็นการปฏิบททัติธรรมจิตใจไม่เลื่อนลอยเวลาเราทํางานเนี่ยถ้าจะอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ย งานจะไม่ค่อยดีข้าแล้วความมุนน่งิจะไม่ค่อยเกิดขึนะน้นนะ้ไอ้ที่มุงมิตเพราะอะไรเพราะใจเราลอยไปกับอารมณ์ที่ไม่พอใจใช่ไหมใจเราไม่มีหลักไม่มีที่เกะอใจจึงลอยไปกับอารมณ์ที่ไม่พอใจแต่ถ้าเรามีสติแล้วสติเป็นตัวผูกผูกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตไม่เลื่อนลอยไปจิตมันก็เป็นปกติใช่ไหมได้สติ ผมมีสติแล้วจิตมันก็เป็นปกติตรักษาจิตเป็นปกติได้แล้วงานก็ไม่เคยติดล่าถ้าเราจะคิดถึงเรื่องงานถ้าคิดด้วยสติเนี่ยงานนั้นจะสมบูรณ์มากมันจะเป็นระบบเป็นระเบียบ ม, มันจะไม่เครียด ม, มันจะไม่หนุนอิฐคิดถึงเรื่องงานความกังวลในงานจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราคิดด้วยอารมณ์เนี่ยคิดไปเรืเ่อยเรื่ยที่มีสติเนี่ย ความกังลต่างก็จะเกิดแทรกมีแต่อุปสัร์มีแต่ปัญหาทำไมมันจุ้งอย่างนี้ค่ะเราขาดสติอยู่ตรงนี้กับตัวละเมื่อเราเคลื่อนไหวไปในยาบทอะไรก็ตามเดินไปนั่งโต๊ะหรือเดินเข้าห้องนาา้าหรือจัดสถานที่จับโทรศัพท์ให้เรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรแค่นี้นะแหละเราจะรู้ว่าเนี่ยมันมีตัวเราอยู่หนึ่งคนที่ทาหน้าที่อยู่ในแดนงานอยู่กับงาน ทั้งกายทั้งใจยอย่าอยู่กับงานเฉพาะร่างกายแต่จิตใจอยู่ไหนไม่รู้ตัวนี้แหละมันจะเริ่มมีปัญหาเวลามีอารมณ์มาแทรกพัดใจเราถูกหเข้าไปกับอารมณ์เลยทุกทันทีเราต้องบริการใจของเราด้วยการฝึกสติรู้กายที่มันกำลังเคลื่อนไหวในยบตันตา่างๆรู้ใจที่มันคิดปรุงแต่งปัญหาทั้งหมดนะั้น ไม่ได้เกิดจากสิ่งไปยนอกเกิดที่ใจเราคิดปรุงแต่งใช่ไหมปัญหาทั้งหมดเกิดที่ใจเราเท่านั้นเลยคนอื่นไม่ได้ทําปัญหากับเราเลยคนอื่นไม่ได้สร้างปัญหากับเราใจเราต่างหากสร้างปัญหาใจเราเองคำการว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งนั้นก็ปรากฏแล้วมันก็หายไปเสียงที่เราได้ยินปรากฏทั้งหู แล้วมันก็หายไปใช่ไหมกลิ่จะหอมหรือจะเป็นก็ตามมันเกิดขึ้นข้างนอกแล้วมันก็จางหายไปด้วยกับไปครับความเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมบัติุ่มนวนกระทบอยู่กายแล้วมันก็หายไปแม้แต่ความคิดนึกเมื่อคิดแล้วมันก็หายไปทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นเลยสิ่งภายนอกใช่ไ้มล่ะ ไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลือนั่นคืออะไรครจิตที่มันปรุงแต่งเราปรุงแต่งเอาไว้เรื่อยๆที่จริงมันจะต้องดับไปนะแต่เราปรุงไปเรื่อยสมมุติว่าเราได้ยินเสียงที่มากระทบหูรับโทรศัพท์ปับเสียงมากระทบหูเสียงที่กระทบหูนั้นมันหายไปไหมหายไปนะเสียงที่มันดังเสียงที่มันเสียงนินทาไม่ไพเราะ ก็พบกปู่มันก็หายไปแต่เสียงของการปรุงแต่งที่มันคิดนี่มันดังในใจยาวนานมากที่จริงมันดับแล้วนะแต่เราก็พยายามคิดปรุงเนี่ยมันทําไมจะพูดอย่างนี้ไม่น่าเลยไม่น่าพูดมันดับไปแล้วแต่เราก็คิดปรุงแต่งทุกท่านมันก็ดับแต่กว่าจะดับมันก็เผาใจเรามอดถ้าเรามีสติรู้ทันปั๊บเนี่ยมีเสียงกระพบใจไม่พอใจสติรู้ทันปับ๊บ รู้ทันความคิดที่มันปรุงแต่งไม่พอใจรู้ทันเมื่อไหร่สิแนะ้วก็จะดับไปตลหน้าาจะเหลือจิตที่เป็นปกติว่างแล้วก็รู้จักหลักษาใจและให้เป็นปกติแล้วก็จะคิดแก้ปัญหาได้ ท, ทันทะีนเมื่ออารมณ์มันดับไปใจก็จะเกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้แก้ปัญหาอารมณ์ต่างเราได้ดังนั้นจำไว้นะเสียงที่มากระทบข้างนอกนอกนะ่มันเกิดมันก็ดับไป แต่เสียงที่มันดังในใจจากการปรุงแตางนั้นมันก็จะดับแต่เราไปคิดตุ้มตอมันก็ไม่ดับมีสติรู้ทันจิตทันใจเราเมื่อไหร่แล้วก็ใจเราก็จะสบายออกจากอารมณ์เรนได้ตัวอย่างนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงออย่างตัวเราเนี่ยมีตัวตนแท้จริงไหมมันมีอยู่นะแต่มันมมีอยู่จริงหรอ มันจะอยู่เราได้แค่หลายเด้มันก็ตายจากผมก็เหมือนกันเนี่ยเห็นผมตอนนี้นะมีอยู่นะเดี๋ยวอีกไม่เกินชั่วโมงผมก็หายทุกอย่างมันไม่แน่นอนนะเนมันมีอยู่แต่ไม่มีอยู่จริงหรอกเพราะนั้นเราอย่าไปยึดติดมันเลยทุกเรื่องอย่าไปยึดติดแต่ว่าทําหน้าที่ถูกต้องเราไปทุกข้ะความยึดติดยึดติดสิ่งไหนแล้วก็ไปทุกข์กับสิ่งนั้นแต่ที่เรา ต้องยึดติดว่าเราไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มีตัวตนจริงอันนี้คือสัจธรรมนะคือของจริงนะถ้าใครเข้าถึงตัวนี้เมื่อไหร่ล้วก็เราจะไม่มีความทุกข์เลยกับการทําอะไรทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นแค่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านทุกอย่างมันผ่านสิ่งที่กระทบ ต, ตาเกิดมาแล้วก็ผ่านเสียงที่กระทบตัณหูเกิดมาแล้วก็ผ่านใจที่คิดปรุงแต่งมันมีแล้วก็ดับ เราอย่าไปยึดติดกันมาให้เป็นทุกข์แต่เราใช้เป็นประโยชน์ใช้ให้นั้นเป็นประโยชน์เป็นผู้ใช้ความคิดย้ายความคิดมันใช้เราแต่ผู้ใช้ร่างกายย้ายร่างกายมันใช้เราเป็นผู้ใช้รถย้ายรถมันใช้เราถ้ารถมันใช้เราเราก็เหนื่อยใครจะมาชนไม่ได้นะจะมาเจี่ยไม่ได้ใครว่ารถเราไม่ดีไม่สวยไม่ได้แต่รถมันใช้เราอันนี้คือศิลป์ธมชีวิต ถ้าใครมีสติรู้ทอบทันใจเมื่อไหร่แล้วก็ความทุกข์มันจะหลุดออกไปจากใจนี่เป็นการบริการใจเราแม้เป็นทุกข์เมื่อทุกข์หลุดไปแล้วเนี่ยมันจะมีความสุ ข, ขเข้ามาแทนที่ใจเป็นสุขเราสามารถบริการความสุขก้บ เ, เ, เขาได้ถ้าใจเป็นทุกข์แด่ลมขุ่นมัวอยู่แล้วก็บริการความทุกขกับเขาขเนี่ยมันทุกข์ทั้งเขาทั้งเรา สาดน้ำโกลนใส่กันก็เพื่อ น, นกันทั้งคู่ไม่มีประโยชเลยชีวิตเกอดไม่มีความหมายเน่เมื่อกี้ที่ญาติท่าบอกว่าโอ้ที่นี่เมีมุมมึมงเยดเสียงยิ้มได้โอ้เสียงยิ้มได้นี่หมายถึงเสียงของเรานะเสียงคนอื่นที่ผ่านมาอาจจะไม่ยิ้มได้ในความสุขของเราแต่เสียงเราออกไปในยิ้มได้ยิ้มได้เพราะอะไรเพราะใจเราดีถูกไหม เดีอ่อี้เนี่ยมีสติรู้ทันใจเราให้เป็นปกติก่อนเมื่อใจเป็นปกติแล้วเสียงออกไปมันก็ดีนะเสียงออกไปดีบ่บ อ, บอถึงว่ามีความสมส่งความจบทางเสียงอาจจะเสียงแก่หน่อยมันก็ดีนะถ้าเสียงมันรุนถ้ามันฟังแล้วมันสดชื่นได้เพราะฉะนั้นพนักงานบริษัททูทำงานให้การบริการจะให้ได้รับผลประโยชน์มันต้องมีวิธีคิด อยงน้อยเราต้องมีใจที่รักงานที่เราทำใช่ไหมต้องรักงานที่เราทําเรายังหางานที่รักไม่ได้ก็รักงานที่เราทําก่อนงานที่เรารักทําไม่ได้ไม่เป็นไรให้เรารักงานที่เราทําก่อนต้องวางใจรักงานที่เราทําเราก็นึกมันจะรักยังไงที่เราก็ไม่เคชอบเราลองมองหาข้อดีของงานเาิมองค้นหาข้อดี ของงานเรา อ, อย่างน้อยงานบริการเนี่ยเป็นงานจุจริตนะไม่ผิดกฎหมายอันนี้น่าภูมยยิใจหนึ่งข้อะมองให้เป็นงานที่เป็นจุจริตนะมองใ ห, ให้คุณค่าแล้วก็เป็นงานที่บริการกับสาธารณาชนโดยบุคคลทั่วไปใช่ั้ยเราบริการคนทั้งโลกเลยอันนี้ก็น่าภูมยยิใจ เงินเดือนจะน้อยตำแหน่งจะเล็กงานจะหนักก็น่าภูมใจเพราะเป็นงานบริการคนทั้งหมดค้นหาข้อดีของงานได้แล้วแต่ว่าเราจะค้นหาแบบหน่เราจะรู้สึกรักงานเมื่อรู้สึกรักงานแล้วเนี่ยผลตามมาคืออะไรมันจะเกิดความขยันนะถูกไหมถลั ก, กมันขยันเรารักเงินเราก็ขยันหาเงิน เรารักคนไหนก็ขยันไปหาคนนั้นเรารักสิ่งไหนเราจะขยันมีความเพียรกับสิ่งนั้นเรื่อยมีฉันทะมีความพึงพอ ใ, ใจที่จะทําในสิ่งนั้นมันเป็นกระบวนการตามมาเมื่อขยันแล้วเนี่ยเราขยันทําอะไรก็ตามจิตใจจะจดจ่อยอยู่กับสิ่งนั้นเรารักการปั่นก็จะจ่อยอยู่การปั่นตั้งใจปั่ เมื่อจิตใจจดจ่อแล้วเกิด อ, อะไรขึ้นมันจะเกิดสติที่ทำปฏิบัติธรรมแล้วเกิดสติเกิด ส, สมาธิตั้งมั่นอยู่กับงานจิตใจไม่วกแวกฟุ้สร้างไปดารมณ์ต่างๆใจมันก็มีความสุขเนี่ยสุขกับงานก็อยู่ตรงนี้แหละคือมีสติจดจ่ออยู่กับงานจิตไม่ฟุ้งซ่านวกแวกไปอารมณ์ ไม่แปกังวลว่าเราจะได้เท่าไหร่ใครจะชมเราไห้จะเกิดอะไรขึ้นแม่เอาเรื่องทางบ้านมาคิดแม่เอาเรื่องอื่นมาคิดเพราะจิตใจมัวสนุกอยู่กับการทํางานมันก็มีความสุขโดยอตโน ม, มัตินะเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมที่มีความสุขอยู่กับการงานเกียงแค่จิตจดจ่ออยู่กับงานเมื่อมีความสุขก็เกิดกําลังใจเกิดกําลังใจที่จะทํางานสนุกมันเพลินอยู่กับงานงานไม่ติดที่หน้าเบื่อ ก็ทํางานได้นานยิ่งทํางานนานๆบ่อยๆมันเกิดประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเริ่มเรียนรู้แล้วเกิดประสบการณ์ชีวิตมีความรู้รอบรู้เรื่องงานเรามากขึ้นมีประสบการณ์ตัดส่วนที่เกินเติมตัวที่ขาดใช่ไหมเราจะเริ่มเข้าใจว่าเราเกินอะไรบ้างก็จะตัดออกมันขาดแล้วเราก็จะเติมอันนี้คือการใช้ปัญญาในการทํางาน อันนี้เป็นงานบริการเริ่มจาการรักงานแล้วก็ขยันแล้วก็มีใจจดจอ่อแล้วก็มีสการณตัดส่วนที่เกินต่อส่วนที่ขาด ย, ยิ่งทํางานไปนานๆเนี่ยมันยิ่งได้นะยิ่งทํายิ่งได้ได้อะไรได้ทํางานแบบหนึ่งมันไม่ว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาคนว่า ง, งานเยอะเครียดเพราะการว่า ง, งานนี้มากมาย ได้งานแล้วก็ได้เพื่อนเห็เพื่อนมากมายเลยเนี่ยราบตัวกับจะเพื่อนมาก้วยค่ได้งานได้เพื่อนทุกระดับนะได้งานได้เพื่อนได้ใจได้ใจตรงไหนคือได้มีความสุขแล้วก็ใจที่คิดให้บริการเนี่ยคือใจที่เอื้อเฟื้อเมตตากรุณาได้คุณธรรมในจิตใจให้อภัย รู้จักให้อภัยเมื่อเราไม่พอใจให้อภัยได้ใจคือได้คุณธรรมได้ใจที่มีความสุขสุดท้ายคือถา ม, ไ, มได้คือได้งานแล้วมันต้องได้เงินแต่ไม่เสมอไปนะวันที่ผมได้งานดางทีก็ไม่ได้เงินนะนะเพราะฉะนั้นเงินน่นคือส่วนเป็นผลหน่วยได้ไม่ใช่เป้าหมายคือไม่อยากได้เขาก็ให้เชื่อไหมไม่อะไรกับเขาให้เนี่ย มันมีแต่ได้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งได้งานที่ให้การบริการอื่นนะั้นเป็นงานบุญนะเป็นงานบุญเป็นบุญแบบสาธารณะด้วยบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่ อ, อความสุขใจนะได้ทำงานสาธารณะช่หลออื่นเขาได้บุญแล้วก็ได้สุขสุขแบบสาธารณะชนด้วย เมื่อเราบริการเขาแล้วเนี่ยเท่ากับให้ความสะดวสบายกับเขาถ้างเขาได้รับผลประโยชน์เนี่ยเขาก็มีความสุขถูกไมเมื่อเขามีความสุขเราเองก็มีความสุขก็สุขด้วยกันทั้งคู่สุขทั้งเขาสุขขอเราความสุขไม่แบบเนี่ยเนี่ยสำคัญเลยนะผมเองก็ทํางานแบบเดียวกันนะคือบริการเหมือนกันผมก็งานบริการเหมือนกันนะตอนนี้กําลังบริการอยู่ งานบริการผมนี่ไม่ได้แตกต่างไปจากพวกเราเลยผมเริ่มต้นจากบริการตัวของเองก่อนเพราะสภาพอย่างเนี้ยแต่สักคนที่มีความทุกข์แล้วคนที่เป็นอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้แหละคนที่โดนไปจากรถยนต์พ่อหักเขาต้องเป็นนี้นหละอาจจะเป็นน้อยกว่า น, นี้หรือ ม, มากกว่า น, นี้ก็ได้อนนะไรคือสาเห้าเราเป็นทุกข์มากแบบ มองตัวเองว่าวเพืนี้มันไม่มีค่าเลยนะไม่มีค่ากับตนเองแล้วก็ไม่มีค่าของคนอื่นเลยนะหาคุณค่าตัวเองไม่เจอแถนเป็นภาล่ายกับครอบครัวและกัสังคมด้วยก็อาศัยการปฏิบัติธรร ม, มที่บ่อเนี่ยจเจริญสติฝึกสติปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านให้มารู้สึกตัวรู้เรื่องของกายรู้เรื่องของใจจะรู้ความจริงว่าอ๋อกายเราเนี่ย มันไม่ใช่เราที่แท้จริงหรอกเป็นแค่เครื่องอาศัยใจมันก็ไม่ใช่ของจริงไม่ใชของเรามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปทุกอย่างนี่มันมีแต่การเปลี่ยนแปลงไม่มีตัวตนอยู่จริงรู้ความจริงของกายของจิตก็ไม่ไปยึดติดกับมันแต่ว่าใช้มันให้เป็นประโยชน์นะบริการใจเราไม่ให้ทุกแม้แต่จะร่างกายที่การร่างกายที่การใจใจไม่ต้องเป็นทุก พอเราบริการใจเราแนละ้วด้วยการปฏิบัติเสร็จแล้วเราเห็นคุณค่าาตัวเราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาตัวเราได้และคนอื่นละ่ะที่เขามีปัญหาทางนจิตใจเป็นทุกข์ทางจิตใจเราก็สามารถช่วยเขาได้อาศัยประสบการณ์ชีวิตเราเนี่ยถ่ายทอดให้เขาได้รู้เพราะคนเราเนี่ยมันทุกข์เหมือนกันละ่ะทุกทางจิตใจเหมือนกันทุกร่างกายก็เหมือนกันร่างกายช่วยไม่ได้ ร่างกายก็ให้หมอดูแลแต่จิตใจเราสามารถช่วยเหลือเขได้เลยช่วยเขาอย่างไรก็คือให้แง่คิดให้กาลังกายเป็นตัวอย่างให้เขาดูว่าแม้แต่สภาพร่างกายที่มีทุกแต่ใจไม่ทุกก็ได้ให้เขาเรยรู้แบบนี้แล้วก็บริการเขาทำด้วยใจกับร่างกายที่มีการอย่างนี้บริการคน อ, อื่น โดยการให้คำแนะนำให้แนวคิดต่างๆยิ่งให้มันยิ่งได้ยิ่งบริการก็มันยิ่งได้ยิ่งให้กาลังใจเขากำลังใจเราก็เยอะยิ่งทำประโยชน์กับเขาประโยชน์เราก็มากได้ความรู้มากมายจากการทำงานของเราได้ทั้งงานได้ทั้งใจได้ทั้งเพื่อนถ้าเราไม่ทำงานตรงนี้นะ เราก็เป็นคนพิการที่นอนวอุ้ยเฉยที่บ้านไม่มีค่าอะไรเลยแต่เราเอาความพิการออกมาทําหน้าที่มันจะลําบากสักหน่อยมันจะไม่สะดวกสักหน่อยแต่มันก็สบายใจโอ้ได้เพื่อนมากมายเลยได้ใจได้ใจคือมีคุณธรรมประจําใจได้แบ่งปันในสิ่งที่มีสาระที่มีประโยชน์ก็มีคุณธรรมและใจก็มีความสุขยิ่งทํำเราก็มีความสุข ที่สำคัญคือได้เพื่อนโอเพื่อนผมมากมายเยี่ยไปทีไหนก็มีคนรู้จักพูดคุยอ๋ออาจารย์ก็มเีเพื่อนเยอะเลยไม่เหงาแต่ก่อนนองเหงาที่บ้านนี่ไม่เหงานะพร้อมเหงาหน้าตาเป็นไงไม่รู้จักเลยนะอยู่คนเดียวก็ไม่เหงานะมีเพื่อนมากมายไปไหนก็มีคนรู้จักมีอยู่ข้างหนึง่งไปที่ศูนย์ธิรกิจก็มีหนังสือผมไปเล่นเนี่ยสำนักพิมพ์ธรรมดา เขามีนังสื อ, อกิจตดสายแมกาญพิการไปตั้งจำนวนมากขายดีนะแต่ก่อนตอนแรกก็ขายดีต่อไปขายไม่ดีนละก็เลยเปลี่ยน ม, มาไม่ขายละมาแจกดีกว่าดีกว่า <c oughs> แจกดีกว่าขายก็ไปในงานก็บังคับรถไฟฟ้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีคนรู้จักโอ้ oh, นี่เจอในทีวีเห็นในหนังสือรู้จักแล้วก็มีเพื่อนห้องแล้วเปิดอิตาเลียตะลอกบุญบ้างมีคนรู้จักก็มีอยายหนึ่งผู้หญิง ก็ตามมาได้กวัยนะแล้วก็บังคับรถเลยเราก็จอดดูหนูก็ตามมาเขาบอกแม่ตามมาต้องรันขับรถเร็วมากเราก็ อ, กอ๋อเจอเพื่อนญาติธรำแล้วคงจะรู้จักเราเขาบอกคุยเดียเราคำนึงว่ารถชนี้ซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่จะซื้อให้พ่อเขาใช้ป่ะพ่อแล้วพนุ่วรู้จักเราพนุ่วสนใจเรากลับสนใจรถไปฟ้า ก็ได้เพื่อนใหม่แนละได้ทํางานได้ใจได้เพื่อนบางทีก็ไม่ได้เงินแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเนี่ยชีวิตก็เลยมีความสุขมาเรื่อยๆจนทุกวันเนี่ยเพราะนั้นพนักงานบริษัทครูนะสูแ่แป้ว่าความจริงแปล ว, ว่าความจริงวัาจะจะทำความจริงแล้วก็ความจริงใจด้วย นั้นถ้าเราฝึกสติกับการใช้ชีวิตในการทำงานให้รู้ความจริงของชีวิตเราก็จะไม่มีความทุกข์เมื่อจิตไม่มีความทุกข์แล้วเราก็มาสร้างจิตสานึกในการให้การบริการด้วยใจทำอย่างมีใจและเราก็จะมีความสุขอันนี้เราจะได้เข้าถึงความเป็น t ร u ที่แท้จรนะิงน ถ้าเราทํางานแบบไม่มีใจแบบทูแบบเทียมๆนะทูที่แท้จริงต้องทูแบบมีใจทํางานแบบมีใจแล้วเราก็จะได้ใจมันก็มีความแล้วก็ขอวอวยพรให้กับพนักงานทูทุกท่านจงมีสติมีปัญญาพาจิตพาใจให้พ้นทุกแล้วก็สร้างจิตสำนกการบริการและมีความสุขแบ่งปันความสุข ให้กับคนอื่นด้วยการทุกขทั้ทุกคน